รับนี้ดูสดใสรอบก่อนดูฟุ้งซ่านรอบภาวนานะใจมันเบิกบานแจ่มใสหิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเรียนรู้ความจริงของธาตุขันไปไม่นานนะภาวนาถูกนะทำสม่ําเสมอไม่นานเข้าใจธรรมะในใจมันได้สมาธิขึ้นมา รู้ถูกเข้าใจถูกความทุกข์มันก็ตกหาย ถ, ถูกมันค่ยลดลงลดลงใส่เขียนไหมใจออกนอกเห็นคนเดินมาลืมหลวงพ่อไปเลยนสนใจของข้างนอกอันนี่ธรรมชาติของจิตส่งออกนอกหลวงปู่ ด, ดูนยเคยสอนไหมธรรมชาติของจิตย่อมส่ออกนอกเราส่งออกนอกแล้วเราไม่มีสติ จิตกระเพื่อมเหมือนไหวกระเพื่อมเคยเห็นน้ํากระเพื่อมใช่มไหมมันก็เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่าจิตนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบกระทบอารมณ์ที่ถูกใจแล้วก็ฟูขึ้นมากระทบอารมณ์ไม่ถูกใจแล้วก็แฟบลงไปวันๆ น, นะฟูฟูแฟบแฟบอยู่เงี้มันไม่สงบไม่มีความสุขกระเพื่อมไปอย่างนั้นความสุขที่ได้รับมาก็เป็นความสุขที่บือหวาอยู่ชั่วคราวก็หายไปอีก จิตส่งออกนอกนะ้มันไม่มีสติไม่มีปัญญาคุ้มครองรักษาจิตจิตก็กเพื่อผนไปผลที่ได้มาก็คือความทุกข์ความทุกข์ของใจหลวงปูด่ ด, ดูลท่านบอกนะถ้าจิตส่งออกนอกธรรมชาติของจิตต้องส่งออกนอกจะห้ามไม่ให้จิตออกไปรู้อารมณ์ไม่ได้นะธรรมชาติของจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์แต่รู้อารมณ์แล้วเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตมีปัญญารักษาจิต กระทบเพื่อสักแต่ว่ากระทบใจไม่กระเทือนไม่กระเพิ่มไม่หวั่นไหวมีความสุขมีความสงบมีความสบายอยู่ภายในของเราเนื้อธรรมะแท้ๆเนี่ยถ้าเรายิ่งฝึกไปนะใจมันจะไม่ฟูไม่แฟบมีเข้าสู่จุดที่สมดุลเป็นกลางสงบมีอุเบกขาใจมีทรงสมาธิอยู่ด้วยตัวของตัวเองจิตไม่จะทรงสมาธิโดยที่เราไม่ต้องรักษา แล้วก็มีสติมีปัญญารักษาจิตยอยู่จิตก็ทรงสมาธิอยู่นั้นมีความสุขงานในพระพุทธศาสนานะมันไม่เหมือนงานทางโลกงานของพระพุทธศาสนานะีถ้าเราฝึกไปฝึกไปนะมันมีจุดที่สิ้นสุดถึงจุดหนึ่งเราไม่ต้องฝึกต่อละจิตใจมันเข้าสู่ความสงบความสันติไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหว้เราก็ค่อ ย, อ ย, อยฝึกไปวิธีฝึกนะ ลองดูในหลักของสติปัฏฐานก็ได้รู้จักสติปัฏฐานไหมใครไม่รู้จักคำว่ามหาสติปัฏฐานสูตรอะไรเีไร้ไม่เคยได้ยินเลยยกมือหน่อยไม่ต้องเกรงใจนะยกมือหน่อยหลวงพ่อจะเทศให้พอดีพอดียกสิใครไม่รู้จักคำว่าสติปัฏฐานนะมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะไปพัฒนาตัวเองสักก่อนในะพัฒนาสบ้างนะเป็นชาวพุทธไม่รู้จักสติปัฏฐาน สติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นวิธีที่เราจะเจริญสติปัฏฐานในสติปัฏฐานนะั้นมันจะมีครบนะศีล ส, สมาธิปัญญาครอบอยู่ในตัวเองเลยเบื้องตอน้นท่านบอกว่าให้มีเครื่องอยู่ของจิตก่อเครื่องอยู่ของจิตจะเป็นกายในกายก็ได้เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็ได้รวมแล้วก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่แหละ มีอยู่ในตัวเรานี่เองเช่นร่างกายหายใจออกเราค่อยรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่ามีกายนะมีกายเป็นเครื่องอยู่ของจิตคือจิตนะคอยสนใจไม่ลืมกายรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆไปโดยรู้อยู่ที่ความรู้สึกสุขทุกเรียกว่าเวทนาความสุขทุกขทางกายความสุขความทุกความเฉยๆทางใจ ร่างกายเป็นสุขก็รู้ร่างกายเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้หาเครื่องรู้หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ให้จิตคอยรู้สิ่งเหล่านี้เรื่อยๆไปหรือรู้จิตใจก็ได้นะจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคารู้จักราคาไหมเบ้ากามเนี้ยก็เป็นราคาแบบหนึ่งนะราคามีหลายระดบับราคาค่านละเอียดเนี้ยติดในความสุขความสงบ เ้าสมาธิแล้วก็ติดในสมาธินี่ก็ราคาเป็นรูปราคาอรูปราคาไม่ใช่แค่กามราคะราคะที่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเท่านั้นราคามีหลายระดับนั่นบอกว่าจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคาเอาจิตเอาใจของเรานี่แหละเป็นเครื่องอยู่คือคอยระลึกรู้จิตใจไปด้วย เน่เราดูในกายก็ได้นะเช่นเห็นร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกเห<อ>็นร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายหรือรู้สึกอยู่ในเวทนานะร่างกายเป็นสุขก็รู้ร่างกายเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจใเฉยๆก็รู้อา <pe S 1> <tiene sentido> รู้ของเราไปได้่อยทุกคนรู้ได้นะไม่ใช่รู้ไม่ได้ไม่ใช่ยากเหยนอะไรหรอกเวลามีความสุขรู้ไหมว่ามีความสุข ถ้าถามไหนอตอนนี้ใครมีความสุขยกมือขึ้นอตอนนี้ใครมีความทุกข์ยกมือขึ้นไม่ต้องเกรงใจยกเลยตอนนี้ใครเฉยเฉยยกมือขึ้นตอนนี้ใครไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยยกมือขึ้นมีไหมไม่มีมีคนเดียวนะยังเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ทำไมเราจะไม่รู้<ม>เด็กๆมีอยังรู้เลยถามว่าตอนนี้มีความสุขหรือเปล่าสบายใจไหม สบายใจตอนนี้หุนหงิดไหมหุนหงิดอย่างนี้จิตเป็นทุกข์จิตพุ้นวายไม่ใช่ของลึกลับอะไรใครๆก็รู้ได้เนี่ยเราคอยมารู้อยู่ในร่างกายรู้อยู่ในจิตใจเรื่อยๆนะเรียกว่าให้จิตมันมีบ้านอยู่คอยอยู่ในกายอยู่ในใจอย่าให้เกินร่างกายออกไปอย่างเวลาเราเห็นคนเดินมาเนี่ยจิตเราหนีไปดูเขาเ น, นี่เกินร่างกายออกไปไปดูของข้างนอกแล้ว ไปดูของข้างนอกไม่ได้อะไรได้แต่กิเลสนะไปดูแลเห็นเขาสวยเขาชอบเขาอนี้ราคาเขาเกิดไปดูแล้วคนนี้เป็นเจ้านี้จะมาทวงเงินเรานะโทรศัพทเกิดอะไรเงี้ยดูข้างนอกมันมีแต่กิเลสนะแล้วเราคยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเรามีกายมีใจเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ถัดจากนั้นเราก็มาพัฒนานะเราต่อสู้กิเลสเราไม่ได้อยู่เลื่อนเลื่อนล อ, อยๆนะเราต้องมาต่อสู้กับกิเลสไม่ว่ามีอาตาปี ใ น, ในสติสถฏฐานนะจะริบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายดนกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีอาตาปีนี่มีความเพียรแผดเผากิเลสเครื่องมือที่เราจะใช้แผดเผากิเลสนะก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้ากิเลสมันรุนแรงจิตใจของเราสติสมาธิปัญญาอะไรเราสู้ไม่ไหวเราสู้ด้วยศีลตั้งใจไว้ก่อนนะกิเลสแรงแค่ไหนก็ไม่ทําผิดศีลห้าอันนี้เป็นการตั้งรับ กิเลสเข้มแข็งมากเราก็ไม่ยอมแพ้เราพยายามรักษาใจไม่ให้ไหลาตามกิเลสไปไม่ให้มันครอบงาใจเราได้ไม่ให้ทําผิดศีลหรือถ้าใจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นมากับกิเลสเนี่ยฝีมือพอๆกันนะเราก็เริ่มลุกรานกิเลสบ้างเริ่มข่มกิเลสด้วยสมาธิราคาเกิดขึ้นเราพิจรารณาสุภาใจิตใจฟุ้งซ่านเรามาทําานาปัญสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรอย่างเงี้ย ใจใจมีโทสะเรามาเจริญเมตตาธรรมะคู่ปรับกันจัดการแกลกิเลสเป็นการทำสงครามนะในขั้นที่ยันกันตัดกันแพ้ผ่ายกันชนะเมื่อไหร่มีสมาธิกิเลสก็ถอยไปเมื่อไร่สมาธิเสื่อมกิเลสก็รุกเข้ามาอีกนะ่ายกันแพ้ผลายกันชนะอย่างนี้แต่ถ้าช่วงที่เราออนแอร์มากๆนะก็อย่าให้ผิดศีลสู้ด้วยศีลคล้ายๆเข้าป้อมเลยไม่ให้ผิดศีลนะตั้งหลักอันนี้ เครื่องต่อสู้กับกิเลสแล้วเครื่องต่อสู้กับกิเลสชั้นสูงนะเวลาที่จิตใจมันมีพลังมากพอแล้วเราใช้ปัญญาขุดรากถอนโคนเป็นไฟที่เราเราเป็นไฟบุกโจมตีกิเลสขุดรากถอนโคนกิเลสเลยเป็นการจะทํำสงครามขั้นแตกหักกับกิเลสงนั้นเครื่องมือในการต่อสู้กับกิเลสนะั่นคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยในหลักของสติปัฏฐานนะครอบคลุมธรรมะไว้เยอะเลย แ, แรกรู้จัก เลือกครื่องอยู่รู้จักเรื่องวิหารธรรมจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตที่เป็นกุศลนากุศลของเราก็ได้เอาอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดรู้สึกกายแล้วหายใจออกรู้สึกตัวเก่งหายใจเข้ารู้สึกตัวได้เก่งรู้สึกได้บ่อยก็ใช้อนาปณสติหายใจไปรู้สึกไปถ้ายืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกตัวได้ก็ยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะเดินทําอะไรนะก็เดินกวาดวัดไปเดินกวาดบ้าน หางานทําไปแล้วเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนคอยรู้สึกไปเรื่อยนี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องหลับหูหลับตาปิดบ้านอยู่คนเดียวไม่จําเป็นหรอกออกมากวากถนนก็ได้นะไปทําอะไรก็ได้<ม>แล้วก็คอยรู้สึกเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูหรือเห็นความสุขทุกข์มันเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นความดีความชั่วมันเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเนี่เรกว่าเรามีเครื่องอยู่เราไม่ได้อยู่แบบอนาถาด้วยเรามีเป้าหมาย ว่าวันหนึ่งเราจะชนะกิเลสให้ได้ไม่ยอมแพ้เงี้ยช่วงไหนกิเลสยังแรงสู้ด้วยศีลถ้ากิเลสมันอ่อนลงหรือว่ากําลังของเราดีขึ้นสู้ด้วยสมาธิยันกันไม่ยอมถอยละถ้ากําลังของเรามากพอเะเราเจริญปัญญาเข้าเป็นไฟทําลายกิเลสเข้าโจมตีมันเหมือนเวลาทําสงครามถ้าศึกมันเข้มแข็งมากเราก็หนีเข้าป้อมหนีเข้าป้อมก็คือหนีมารักษาศีลไว้ยังไงก็ไม่ยอมผิดศีล ถ้าฝีมือไล่เลี่ยงกันนะกำลังพอๆ ก, ก, กันยกออกไปลบกับมันบางทีเราก็ชนะมันก็ถอยไปบางทีเราแพ้เราก็ถอยกลับเข้าป้อมใหม่เนี่ยทําสงครามก็แบบเนี้ยแล้วพอเรารวบรวมกําลังได้เต็มที่แล้วนะเรารู้ว่ากองทัพข่าสึกมันกองบัญชาการมาอยู่ที่ไหนบุกเข้าทำลายกองบัญชาการมันนั่นคือขั้นปัญญาขุดลากถอนขนศัตรูคือกิเลสเนี่ยเราต้องค่อยๆรู้นะศัตรูที่ไร้กาศในชีวิตเราอะ ที่ทําให้เราไม่มีความสุขไม่มีความสงบก็คือกิเลสนี่เองดังนั้นเราต้องมีหน้าที่ต้องสู้กับมันไม่ยอมให้มันครอบงาเราได้แล้วแต่ว่ากําลังเราขนาดไหนเครื่องมือก็ศีลสมาธิปัญญานี่เองแผดเผาให้กิเลสเล่าร้อนกิเลสจะได้ทนอยู่ไม่ได้ออกไปจากหัวใจเราสักทีถัดไปจากนั้นเรามีสัมพัญธยสั ม, มชัญญยาเป็นปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นต้นที่รู้ว่า อะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ <_ d ata> ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์อะไรเหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราเราพอรู้ว่าอะไรเหมาะกับเราแล้วเราก็ทําในสิ่งนั้นมากๆนี่เรียกว่าสั ม, มชัญญะอย่างเราต้องรู้เนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์นะพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าสมถะละวิพัสนาเป็นประโยชน์เนี่อะไรที่สมควรแก่เราสมถะแบบไหนสมควรแก่เราคนนึงเขาพุโทโธแล้วจิตเขาสงบ เราไปพุโทโธเราไม่สงบเราก็ดูอย่างอื่นรู้จักเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองบางคนขี้โมโหอาจจะเจริญเมตตาไปและจิตสงบบางคนมีราคะรุนแรงนะพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาพอะไรจิตสงบบางคนเปนมีศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามีศรัทธามากพุโทโธพุโทโธเราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไปจิตก็สงบนี่เรารู้จักเลือกว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเรา นั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีเลยเราก็เดินจงกลมเดินไปรู้สึกไปเดินไปรู้สึกไปจิตใจมีความสุขมีความสงบเนี่ยเราต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขอันนี้เป็นการรู้จักเลือกเฟ้นว่าเราจะทํากรรมฐานอะไรเป็นปัญญาที่เรียกสัมปชัญญะนะเราค่อยๆสังเกตตัวเองไปแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กมาทําความสงบเนี่ยทำสมาธิด้วยอานาปนสติ แล้วก็ทําวิปัสสนานะโดยใช้การดูจิตจิตตานุปนะัสสนาเข้ารู้เข้าดูจิตทํางานพวกเราเรียนกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าทุกคนต้องเดินตามแนวหลวงพ่อนะไม่ต้องปฏิบัติแบบเดียวกับหลวงพ่อทางใครทางมันแต่หลักที่ พ, พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นอันเดียวต้องรู้หลักแต่ว่าเราจะเลือกอารมณ์กรรมฐานอะไรนะและแต่จริตนิสัยของเราสมัยก่อนไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะไปถึงไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินะ หลวงปู่ยังไม่สอนหรอกหลวงปู่นั่งหลับตาไปนานในเกือบเกืบชั่วโมงนะเกินครึ่งชั่วโมงอีกบางคนนะหลวงปู่หลับตาทั้งสองชั่วโมงเนะี่ยสืบประวัตินานหาความดีไม่ค่อยเจอะมาดูนานมาต้อขุดมันไปว่ามันเป็นเคยปฏิบัติอะไรมาบ้างได้ดิมได้ดีตรงไหนบ้างหลวงพ่อไปหาท่านนะท่านดูไม่นานนักครึ่งชั่วโมงกว่ากไม่เต็มชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนนะว่านะ การปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองแล้วท่านให้อ่านจิตตนเองหลงพ่อก็มาดูจิตเวลาทิ้งเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราควรทําอะไรนี่เราไม่มีครูบาอาจารย์แบบหลวงปู่ดูลมาบอกให้อย่าไม่ให้หลวงพ่อนั่งดูทีละคนนะเดี๋ยวนี้บาคนมาเรียนทิ้งหลายร้อยเรียนเป็นพันพันก็มีนะใครไปนั่งดูให้พันชั่วโมงใครไปตั้งดูใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นแล้วเพราะฉนั้นต้องช่วยตัวเอง แมายที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์นานานหลายๆวันเนอะจะมีคนไปถามกรรมฐานสักจริงแล้วคนไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติคนไม่รู้จักท่านนึกว่าท่านเป็นพระหลวงตาพระอยู่ในเมืองพระปริยัติเจ้าฟ้าเจ้าขุนอะไรเนี้ยคงไม่เอาไหนอ่ะอยู่กลางเมืองเลยนี่หลวงพ่อ ไ, ได้ข่าวมาว่ากระทั่งสมเด็จย่านะสมเด็จพญ า, านาสังวรยังยกย่องท่านเลยแล้วสมเด็จพญ า, านาสังวรเนี่ยเที่ยบอกคน่ะว่า ท่านจะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นนะเราจะรู้อ้อท่านเป็นพระดีเข้าไปเรียนแต่ไหนเข้าไปนะไม่มีคนหรอกนั้นท่านมีเวลาสอนมีเวลาตรวจเราได้ละเอียดแต่ทุกวันนี้เป็นแมชโ p r o d ดักนะมาเรียนทีหนึ่งหลายร้อยหลายพันมันต้องช่วยตัวเองสังเกตเอานะว่าเราอยู่กับอะไรแล้วสติเกิดล่อยแล้วอันนั้นแหละหรือว่าถ้าจะทาสมถะถ้าจะทาสมถะเราก็ดู ว่าจิตใจเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไร ấy? แล้วมีความสุขนะจิตใจมีความสุขแนละ้วมันจะเข้าสมาธิง่ายเอย่าหลงผ้ามีความสุขนะหายใจทีเดียวก็สงบแล้วหายใจยังไม่สูดก็สงบแล้วมันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเรื่องของการทําสมาธิจะงง่ายถ้าเราทําให้ถูกกัจจิิตเรื่องอารมณ์ที่ดีนะที่รู้แล้วมีความสุขเรารู้จักเรื่องอารมณ์แล้วนะอยู่กับอารมณ์อนัน้น อย่างสบายๆไม่บังคับจิตนะไม่ใช่บอกว่าหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็สบายแล้วก็บังคับจิตห้ามหนีไปจากลมหายใจถ้าบังคับจิตเมื่อไหร่จิตจะเครียดจิตจะไม่สงบหนาะงั้นเราแค่น้อมจิตไประลึกในอารมณ์ที่มีความสุขแค่น้อมๆไปแค่นึกถึงบ่อยๆเดีย๋ยวจิตก็สงบของจิตเองเนี่ยเราต้องรู้จักเลือกนะอเนี้เรียกว่าสัมปชันโนมีสัมปชัญญะมีสติมีปัญญานะรู้จักเลือกเฟ้นว่าอะไรเหมาะกับเรา แล้วก็เราก็ไม่ละเลยพอรู้สิ่งที่กรรมฐานที่เหมาะกับเราแลไม่ละเลยทําไปเรื่อยๆทําไปสม่ําเสมอทุกวันเนี่สัมปชัญญะสัมปชัญญะนะรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์อะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เรากรรมฐานหลายอย่างไม่ได้สมควรแก่เราแตสมควรกับคนอื่นเนี่เราก็ต้องดู อย่างถ้าจะทําสมถะเราก็ต้องดูว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมนะด่าคนาแล้วมีความสุขเงี้ยมันไม่ไม่ได้สมาธิอ่ะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมอย่างพุโทโธหายใจอะไรนี่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไปเลือกเอาแล้วถ้าอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วมีความสุขนะเราใช่อารมณ์นั้นเนี่ยเนืองๆทำเนืองๆน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์นั้นบ่อยๆไม่บังคับจิตนี้ไปก็ได้เช่นเราถนัด พุโทโธเราก็พุโทโธไปยังมีความสุขพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปแล้วรู้ว่าจิตหนีไปไม่ว่าไม่ว่านะจิตจะหนีบ้างก็ไม่ว่าถ้าบังคับว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธห้ามหนนะีจิตจะเครียดถ้าจิตเครียดสมาธิไม่เกิดจิตต้องมีความสุขสมาธิถึงจะเกิดงั้นถ้าเรียนกับหลวงพ่อสัก พ, พักหนึ่งเราจะพบนะสมาธิพวกเราดีขึ้นใครรู้สึกตัวว่าสมาธิาดีขึ้นบ้างมีไหมยกมือซิยกมือเออก็เยอะเหมือนกัน บางคนนะก็สมาธิดีขึ้นแต่ไม่ยกมือเพราะก<ๆ>ำลังหลับไปพอดีเลยกินข้าวใหม่ๆเนี่ยถ้าอาจารย์เลี้ยงลงทานเยอะไปละมั้งกินมากไปเดี๋ยวหลับนะหรือเราจะเจริญวิปัสสนาเราก็ต้องดูว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนเวลาเจริญวิปัสสนาทำได้หลายแบบบางทีก็ใช้สมาธินำปัญญาบางทีก็ใช้ปัญญานาสมาธิ ทีก็ใช้สมาธิและปัญญาควบกันทําได้หลายอย่างถ้าใช้พวกที่ชอบความสุขความสงบนะทำไปแล้วใจสงบนะให้มันสงบไปนะไม่ต้องเดินปัญญาเช่นเราพุทโธพุทโธเราหายใจอย่างเงี้ยเรามีความสุขนะจิตสงบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ขาดสตินะถ้าบอกว่าหายใจไปแล้ว ล, ลูบไปเลยไอ้นั่นหลับไปถ้าหลับในใช้ไม่ได้นะหลับในไปนอนดีกว่านั่งเวท หลอกชาวบ้านเขาว่า น, นั่งกรรมฐานที่แท้นั่งหลับไม่ได้เรื่องหรอกนะโกหกโกหกพระแต่โกหกหลวงพ่อไม่ได้หรอกนะลืมตาแป๊วๆนีน่มันหะลับไในเขามีนะมีน้ำลืมตาไม่กระพริบเลยถ้าเป็นคนธรรมดาลืมตาเก็ต้องกระพริบบ้างเฮนี่มันหลับไปแล้วหรอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเราดูตัวเรานะดูตัวเราถ้าเราเป็นพวกทําสมาธิแล้วจิตเป็นสงบนะให้มันสงบไปอย่าไปฟื้นมัน ถ้าจิตมันรวมเข้าสมาธิแล้วไปฝืนนะดึงออกมาเนี่ยปวดหัวเลยนะให้จิตเขาถอนเองแต่ว่าพอจิตถอนออกมาแล้ว เ, เข้าสมาธินานๆนะจิตถอนออกมาเนี่ยจิตจะขี้เกียจจิตจะไม่อยากเจริญปัญญาเพราะเจริญปัญญาแล้วมันคล้ายๆหาภาระมาให้จิตตอนที่จิตรวมเข้าไปเป็นสมาธินะไม่มีภาระสบายสงบสบายอยู่เพราะฉะนั้นพวกที่ทําสมาธินี่ใช้สมาธินําปัญญาเนี่ยก็ใช้วิธีว่าเข้าสมาธิ ออกจากสมาธิแล้วมาดูกายนะมาดูร่างกายอย่าไปดูจิตถ้าออกจากสมาธิแล้วมาดูจิตเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้ดูจิตมันจะว่างๆเฉยๆไม่มีอะไรเลยเฉยแต่ว่าร่างกายมันไม่เฉยใช่ไหมร่างกายมันไม่เฉยหรอกมันหายใจออกหายใจเข้าตลอดวันมีไหมร่างกายเฉยร่างกายคนตายเฉยไหมไม่เฉยนะหลวงพ่อเคยเจอคนตายนะตายใหม่ๆนะจับดูตายยังว่าข้างในนี้ยังเต้นตุบตับทุบๆับอยู่เลยนะ มันตายไปแล้วละ่ะมันเต้นอยู่งั้นร่างกายมันเตรียมจะน่านี่ถ้าออกจากสมาธิมานะดูกายดูกายไว้กายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกสมาถายานิกแม้วันนี้หลวงพ่อสอนภาพรวมเลยนะเรื่องของสติปัฏฐานและมีเครื่องอยู่ต้องดูเอาจะอยู่กัิกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมอะไรก็เอาเธอเอาสักอย่างหนึ่งแล้วก็ศัตรูของเราคือกิเลส ไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆต้องรู้จากวิธีต่อสู้กับกิเลสสู้ด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาแล้วก็รู้ว่าเราควรจะทํากรรมฐานอะไรเพื่อให้ให้พัฒนาต่อไปอีกสังเกตตัวเองสมถะทาอย่างนี้แล้วสงบง่ายทําอันนี้แหล ะ, ะถ้าวิปัสสนาใช้อย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เหมาะกับเราเราก็ใช้อย่างนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องเรียนแบบกัน นะโลวงพาอแต่ก่อน น, ะนั่งสมาธิมากพอตั้งสมาธิออกมาแล้วมาดูกายนะดูแป๊บเดียวนะกายระเบิดไปเลยกลายระเบิดแล้วไม่ไปต่อไม่เป็นนะไม่มีกายจะดูนะไม่รู้จะทำยังไงดีไปเจอหลวงปูดู น, นะท่านบอกให้ดูจิตเอาไม่ใช่ไปดูกายดูกายไม่เหมาะกับจริตรู้สึกจืดชืดไม่สนุกแต่ดูจิตสนุกเพราะว่ามีอะไรให้ดูเยอะแยะเลย ใจิตใจของเราอยู่กับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่รู้จักมันเป็นคนแปลกหน้านะหน้าตาเรายัางสองกระจกเห็นใจิตใจเราไม่เคยเห็นมนะแปลกที่จริงแล้วเราเร็วกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยแต่ละคนใครได้เห็นตัวนี้บ้างว่ามันเร็วกว่าที่นึกไว้มีไหมหรือภาวนาแล้วยิ่งดีกว่าเก่าอีกนะยิ่งเห็นนะยิ่งเห็นกิเลส น, นะมันแจ้งกว่าที่นึกเองเนี่ยเราถ้าถ้าจิตมันชอบสมาธิเข้าสมาธิออกจากสมาธิดูกาย ถ้ามันดูกายแล้วมันไม่ยอมดูใจรักมันดูกายก็ไม่ดูกายทื่อๆอยู่เห็นแต่ร่างกายหายใจเห็นแต่ท้องพองยุบเห็นแต่ร่างกายยกเท้าย่างเท้าเรนนี้ใช้ไม่ได้ไม่เห็นใจรักนี้เราต้องช่วยมันกระตุ้นด้วยการใช้ความคิดพิจารณานะคิดพิจารณาร่างกายว่าเป็นใจรักเช่นไล่ไล่มาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอก็กระดูกในไล่ลงมาในร่างกายนะผมมันไม่ใช่ตัวเราผมเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะ มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สวยไม่งามนะพิจารณาไปทีละส่วนทีละส่วนมีการกระตุ้นให้จิตหัดมองไตรัรกเงั้นอย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทํากันนะท่านจะเข้าสมาธิก่อนพุทโธพุทโธกัธนหลายปีน้ำงทั้งนานพอจิตเป็นสมาธิแล้วออกมานะท่านต้องพิจรารณกายเพราะจิตไม่ยอมเดินปัญญาแต่ถ้าเราออกจากสมาธิแล้วจิตเดินปัญญานะเห็นรูปส่วนรูปนามส่วนนาม เห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นว่ารูปไม่ใช่เราเห็นรูปไม่เที่ยงเห็นรูปเป็นทุกข์ใจเป็นคนดูใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าไม่เห็นเองนะไม่ต้องพิจรารณาแต่ถ้ามันรู้ตัวอยู่เฉยๆหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก ma ็รู้แต่รู้เฉยๆรู้อะไรรู้การหายใจรู้ยืนเดินนั่งนอนไอ้ น, นั่นเรียกว่ารู้ร่างกายรู้ร่างกายไม่ใช่วิปัสสนาต้องรู้ไตรลักษณ์แล้วก็ใช้วิธีคิดนะพิจารณาไปร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ ร่างกายเป็นอนัตตามันทุกข์หรือไม่ทุกข์ลองสังเกตดูร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ทุกข์ไหมนั่งใครยังนั่งแล้วไม่ได้ขยับเลยมีไหมมีไห้ยกมือซิยังไม่เคยขยับเลยตั้งแต่นั่งเนี่ยไม่กระดิกไม่มีหรอเนีย่ยนั่งก็ดุกกรยกิบกรยศกระยกิกเหมือนลิงมาเกิดนะยุกยกิบ ย, ยกยิบนะแต่เพราะอะไรเพราะร่างกายมันทุกข์เนี่ยเรารู้สึกอยู่เรื่อยๆนะเราจะเห็น โอ้ร่างกายมันถูกอย่างนี้เดินปัญญาแล้วนะเนี่ยเราต้องดูเอาหรือว่าบางคนเนะี่ยไม่ถนัดทำสมาธิเราใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้ใช้ปัญญานำสมาธินี่ให้ดูจิตเอาเพราะจิตใจเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคนที่ไม่ได้ทรงสมาธิไม่ได้ทรงฌานนะจิตใจว่กแวกวอกแวกตลอดเวลาเลยเห็นคนเดินมาจิตก็หนีตามเขาไป้ใจง่ายหน้าดูเลยเห็นวิองอ่งตามตลอดเลยนะรู้สึกไหม <g ill ian> จิตเนี่ยที่วิ่งตามเขาตลอดวันเลยเห็นใครมาก็ดูเห็นนกบินก็ดูนะเห็นอะไรก็ไปหมดเลยนใจมันชอบไหลไหลไหลไไปเวลาที่ใจมันไหลออกไปตาไปเห็นรูปความรู้สึกมันจะเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกมันจะเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสใจคิดนึกนะความรู้สึกมันเปลี่ยนให้เราคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเพื่อจนะไไเห็นความรู้สึกเกิดดับเกิดดั บ, ดบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะะใจเนี่ย พอเห็นความสุขเกิดขึ้นใจจะยินดีให้รู้ทันความยินดีดับไปใจเป็นกลางก็เห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยใจเป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นใจมันไม่ชอบมันยินร้ายให้รู้ทันว่าไม่ชอบรู้ทันว่ายินร้ายความยินร้ายดับไปเราก็จะเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกุศลเกิดขึ้นใจเป็นยินดีเราก็รู้ทันนะใจก็เป็นกลางแล้วก็ดูกุศลเกิดแล้วก็ดับไปหากุศลเกิดขึ้นใจไม่ชอบ อย่างบางคนโกรธขึ้นมาไม่อยากโกรธโมโหตัวเองอีกนะว่าเสือโกรธบ่อยโมโหตัวเองว่าโกรธเก่งใครเคยโมโหตัวเองบ้างมีไหมทีแรกโมโหคนอื่นนะเสร็จแล้วเนี่โกรธเนี่ยเลยโมโหตัวเองแทนรวมความแล้วโมโหนั่นแหละตายไปตกนรกแง่ไหนเลยจิตเต็มไปด้วยโทสะเนี่ยเราสังเกตเอานะสังเกตเอาค่ยๆดูไปถ้าใจมันเป็นกลางความโกรธเกิดขึ้นหรือความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเกิดขึ้นนะ ใจมันยินดีให้รู้ทันยินร้าให้รู้ทันในสุดใจมันจะเป็นกลางแล้วสมาธิจะเกิดเองสมาธิมันเกิดเมื่อใจไม่กระเพื่อมใจมันเป็นกลางอย่างแท้จริงงั้นเวลาที่เราจเจริญสติปัฏฐานเราดูจิตใจของเราทํางานไปเรื่อยถ้ามันยินดีให้รู้ยินร้ายให้รู้นะไม่ยินดีไม่ยินร้ายขึ้นมาสมาธิก็เกิดมันจะได้สมาธิอัตโนมัติหลวงปู่ดุลเคยสอนหลวงพ่อนะว่า มันได้สมาธิอัตโนมัติถ้านว่อย่างเงี้ดูจิตได้สมาธิอัตโนมัติตอนนั้นหลวงพ่อภาวนาเจ็ดเดือน<ม>เดือนที่เจ็ดที่เรียนกับท่านนะมานหนึ่งพายุมาออกจากที่ทํางานกลางร่มออกจากที่ทํางานมานะพายุพัดร่มพับไปเลยร่มพังไปเลยคราวนี้ไม่มีร่มแล้วเปียกทั้งตัวเข้าไปหลบนั่งหลบฝนอยู่ในบุตรีพระวัดใกล้ๆที่ทํางานนี่นั่งกอดเขานะ ไปนั่งพับเพียบนั่งอย่างนี้นะ่ะตัวแล้วแผดกว้างๆไปเนะื้อตัวน้ํามันเพื่อนกุฏิท่านมากไปนั่งกอดเข่าให้พื้นที่เล็กๆหน่อยสมัยนั้นตัวเล็กน้ําไม่ใช่ตัวเท่านี้หรอกเดี๋ยวนี้นั่งยังไงก็เปียกกว้างๆอยู่เดียวนะนั่งกอดเข่าอยู่นะเห็นใจกังวลเห็นใจเป็นกังวลว่าโดนฝนเดี๋ยวไม่สบายแนละ้เดี๋ยวเป็นบัดรู้ทันว่าใจกังวลนะใจเป็นกลางนะสมาที่เกิดเลยจิตรวมปึ๊บเข้าไป โลคทั้งโลกหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวเนี่ยไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตมันเป็นนี้หลวงปู่บอกจิตมันเข้าสมาธิชั้นนั้นชั้นนี้ทั่นว่าอย่างนี้โอ้ยหลวงปู่ตอนนั้นผมไม่ได้เข้าสมาธินะผมดูจิตอยู่ก็เห็นจิตมันกังวลอือปุ๊บมันเข้าไปเองหลวงปู่เลยบอกว่าดูจิตมันจะได้สมาธิอัตโนมัตินั่นว่าอย่างนี้นะเป็นของแถมเลย งั้นเราจเจริญปัญญาไปดูจิตดูใจมันทำงานไปเรืยสมาธิเกิดเองไม่ต้องกลัวหรอกถึงจนหนึ่งก็เข้าฌานเป็นทุกคนแหละถ้าได้โสดาณนะอย่างน้อยก็ได้ปฐมฌานละมีของแถมไม่ใช่เรื่องยากอะไรส่วนอีกอย่างหนึ่งน ะ, จะเจริญปัญญาอีกอย่างหนึง่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันอันนี้ต้องเก่งในการเข้าฌานมีวัตสีนึกจะเข้าก็เข้าได้นะนึกจะทรงอยู่ก็ทรงได้ นึกจะเจริญปัญญาก็เจริญได้นึกจะออกก็ออกได้มีวสีสี่อย่างที่เราทาได้แล้วจะต้องเก่งในการดูจิตถ้าเก่งดูกายนยีไปเจริญปัญญาในฌานไม่ได้เพราะเวลาเดินปัญญาในฌานเนี่ยจะดูองค์ฌานดูปีติดูสุขดูบุเบกขาดูเอกขตาอะไรพวกนี้เห็นสภาวะธรรมพวกนี้นี่พวกเราส่วนใหญ่ทําไม่ได้อันนี้ข้ามไปงพราสิ่งที่พวกเราทําได้ส่วนใหญ่พวกเราฟุ้งซ่านนะแล้วดูจิต ดูจิตไปแล้สมาธิเกิดเองนี่เป็นปัญญานำสมาธิไปสู่ความบริสุทธิ์นั่นเดียวกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันแต่เราเลือกทางเดินที่เหมาะกับตัวเราถ้าจิตชอบเข้าสมาธิก็เข้าสมาธิออกจากสมาธิแล้วดูกายถ้าดูกายแล้วรู้ตัวอยู่เฉยๆพิจารณากายเป็นไต ร, รักนะกระทางจิตมันดูไต ร, รักของกายได้เองโดยไม่ได้ต้องพิจารณาถ้ามันดูได้เองไม่ต้องพิจารณาละดูไปเลยแต่ถ้ามันดูกายแล้วเฉยๆพิจารณา เรื่องใจรักแต่ดูจิตไม่ต้องพิจารณาเลยจิตเราฟุ้งซ่านเต็มประดายอยู่แล้วนะเดี๋ยวสู่เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวรายรู้ไปรู้รู ร, รู้แล้วถ้ามันยินดีให้รู้ยินรายให้รู้นะสมาธิมันจะเกิดเห็นไหมกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสสัมปชัโนรู้ว่าเราควรทํากรรมฐานอะไรแล้วเราก็ขยันทํากรรมฐานนั้นมีสติ สตินี่แหละสติปัฏฐานตัวจริงนะมีจิตที่ตั้งมั่ น, นไปดูรูปดูนามมันทํางานไปเรื่อยๆสุดท้ายนะัมันจะเข้าสู่คําว่าวิเนยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ไ ห, หัดดูไปนะไม่ว่าจะดูกายหรือดูเวทนาหรือดูจิตนะสุดท้ายมันจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางอย่างยิ่งเราดูจิตนะ่าจะเห็นง่ายเลยเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายใช่ไหมถ้ายินดีเรารู้ทันก็สงบ ยินได้เรารู้ทนานก็สงบแล้วก็ดูสภาวะเจริญสติปัฏฐานต่อไปนะาตาปีสัมปชาญโนโล้สติมาเจริญสติปัฏฐานเรื่อยไปนะไม่ทอดทิง้งถ้าทำมากเข้ามากเข้านะในที่สุดจิตจะเกิดปัญญามันจะเห็นความจริงนะว่ารูปธรรม ท, ทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนมามธรรมความรู้สึกนึกคิดความรับรู้ทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มี ไปเห็นมากเข้ามากเข้านะใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญามันจะไม่ใช่กลางเพราะสติแล้แต่แรกๆนะเป็นกลางด้วยสติรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางแล้วก็เอาจิตที่เป็นกลางแล้วนะไปเรียนรู้ความจริงของรู ป, ปธรรมนามธรรมาในส่วนปัญญามันเกิดมันเห็นในรู ป, ปธรรมนามธรรมานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายกตัวอย่างเช่นถ้าเราถนัดเวทนานะเราดูจิตนะเราเห็นว่าความสุข เกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับตอนแรกมีความสุขพอใจก็เราก็รู้ว่าพอใจใจเป็นกลางก็เห็นว่าความสุขเกิดดับได้มีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความทุกข์มีความทุกข์แล้วไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจความไม่พอใจก็ดับจิตเป็นกลางแล้วก็เห็นความทุกข์เกิดดับได้นี้ต่อมาจิตมันฉลาดมันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสุขเกิดสุขก็ดับทุกข์เกิดทุกข์ก็ดับถ้ามันเห็นถึงตรงนี้นะ จิมจะเป็นกลางกลางด้วยปัญญาล้คราวนี้กลางเพราะมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างนี้ชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้ามันเห็นว่าสุขกับทุกข์ดีกับชั่วหรือทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเท่าเทียมกันใจมันจะไม่กระเพื่อมนะใจมันจะไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวไม่มีความอยากอย่างมันเห็นความสุขเกิดขึ้นนะมันก็ไม่ได้อยากให้ความสุขอยู่นานๆมันก็รู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวแล้วความสุขหายไปก็ไม่หิวโหยอยากให้กลับมาไม่มีนะ ความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อยากให้หายเร็วๆความทุกข์หายไปแล้วก็กลัวมันจะกลับมาอีกอยากให้มันไม่มาอีกน่เนี่ยมันมีความอยากแทรกเข้ามาแต่ถ้าสติปัญญากแก่รอบจริงๆนะสุขก็เท่านั้นแหละทุกข์ก็เท่านั้นแหละร่นแต่ของไม่เที่ยงร่นแต่เป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาเหมือนๆกันต่อไปเวลามีความสุขจิตก็ไม่ฟูนะเวลามีความทุกข์จิตก็ไม่แฟบเวลามีกุศลจิตที่ไม่ฟูเวลามีอกุศลจิตก็ไม่แฟบนะจิตไม่ไม่มไมกระเพื่อไม่หวันว่นไหว ตรงนี้แหละเรียกว่าถอด ถ, ถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้คําว่าโลกก็คือรูปนามคือกายคือใจนี่เองเมื่อจิตมันไม่กระเพื่อมวันไหวเนี่ยไม่ไม่กระเพื่อมวันไหวเพราะมีปัญญานะจิตจะไม่ปรุงต่อเคยได้ยินคําว่าพบไหมพ บ, พบพบจิตมันสร้างพบคือจิตมันทํางานนั่นเองจิตมันทํากรรมกรรมที่จิตทําเนี่เรียกว่ากรรมภพจิตมันทํางานอยู่ตลอด เวลาเราปฏิบัติรู้สึกไหมเวลาปฏิบัติเราต้องมีเป็นภบของนักปฏิบัติภบของนักปฏิบัติใครรู้จักบ้างภบของนักปฏิบัติต้องเรียบร้อยใช่ไหมต้องดูดีใช่ไหมต้องสงบใช่ไหมทำอะไรต้องไม่เหมือนมนุษย์ใช่ไหมเช่นจะกินน้ำเนี่ยนักปฏิบัติแค่นั่งสมาธิเราก็สร้างภบนะแล้อเราจะสร้างภบขึ้นในฉับพลันไหมทดลองดูก็ได้อ้าต่อไปทุกคนนั่งสมาธิ แป๊ บ, บ 1, 2, หนึ่งสองสองสามนาทีลองดูเนี่ยสภาวะอย่างเนี้ยคือพบของนักปฏิบัติรู้สึกไหมร่างกายเราก็ไม่เหมือนปกติจิตใจเราก็ไม่เหมือนปกติโดยเฉพาะใจใจนี้ถูกควบคุมไว้คนปฏิบัติเอาละพอละนักปฏิบัติเนี่ยนะมันจะสร้างอัตตกิรมฐานหโยกขึ้นมาเป็นภพของคนดีนะภพของคนดี พที่บังคับกายบังคับใจควบคุมกายควบคุมใจตัวเองเมื่อกี้ควบคุมไหมตอนนี้ใจเป็นปกติเคลื่อนไหวไปมาใช่ไหมเมื่อกี้ทํากลุ่นนึกออกไหมไอเนี้ยสร้างภพนะทําไมต้องมีภพอย่างเนี้ยมันอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากปฏิบัติอยากได้มากผลนิพพานใช่ไหมเบื้องต้นมันมีอยากนะพอมีอยากคือตัวตัณหานะจิตเขสร้างภพขึ้นมา คนชั่วมันก็สร้างพบชั่วๆนะคนดีก็สร้างพบดีๆภพของคนดีคือพบควบคุมตัวเองบังคับตัวเองทําตัวเองให้ลําบากะส่วนพบของคนชั่วไปทําคนอื่นลําบากถ้าภพชั่วๆก็ตกนรกไปลงอบายนะพบดีๆเนี่ยขึ้นข้างบนแต่ไม่นิพานหรอกเพราะอะไรก็ยังเป็นพบอยู่มีพบนีพระพุทธเจ้าท่านบอกนะภพเหมือนอุจาระรู้จักอุจาระไหมชี้อ่ะรู้จักไหมออต้องแปลหน่อยนะ พบเหมือนอุจจาระนะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ไม่น่ารับประทานใช่ไมเพราะฉนั้นพบนิดพบหน่อยนะก็ไม่น่าเอาแต่เราไม่รู้เราเป็นนักปฏิบัติเราต้องสร้างพบอะไรสักอย่างขึ้นมาให้มันผิดธรรมชาติก่อนทีแรกมันก็สร้างทุกคนนะแต่ต่อไปค่อยฉลาดขึ้นรู้ว่าเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างพบขึ้นมาพอรู้ท่านแล้วต่อไปมันจะค่อยๆกลายออกกลายออกกลายออกเมื่อไรจิตหมดความอยากนะไม่สร้างพบขึ้นมานะ นิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าเพราะพระนิพพานคืออะไรนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากอยากเพราะโง่อยากเพระาะโง่อยากอยา ก, ยากเช่นอยากให้ได้ความสุขมาอยากให้ความสุขอยู่นานๆอยากให้ความทุกข์ไม่มาถ้าความทุกข์มาอยากให้หายเร็วๆเนี่ยเพราะโง่ที่จริงความทุกข์ความสุขความดีความชัว่วหรือทุกสิ่งทุกอย่างเราสั่งไม่ได้เป็นอนัตตา แล้วเราจะสัมผัสสิ่งที่ดีสิ่งที่เลวเลยเราก็เลือกไม่ได้อันนี้เป็นวิบากเป็นผลของกรรมกรรมดีให้ผลมาก็เจอของดีกรรมชั่วให้ผลมาก็เจอของไม่ดีเราเจอแล้วนะอันนในส่วนของกรรมเก่าก็เกิดการทํากรรมใหม่ขึ้นมาคนชั่วก็ทํากรรมชั่วไปคนดีก็ทํากรรมดีควบคุมตัวเองไปแต่ล้วนแต่สร้างภพทั้งสิ้นดูไม่ออกแต่เบื้องต้นนะควบคุมตัวเองไว้ก่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะดีกว่าปล่อยเลยแล้วก็หลุดลงไป การควบคุมบังคับตัวเองนี้นิดหน่อยๆใช้ได้แต่อย่าบังคับจนน่าเกลียดเนี่ยเห็นหมามานะมองที่หมาหางจุกกล่นเลยนะเอออย่างนี้แล้วบอกว่าแมาต้ตาบะเราดีไว้ที่ที่ทแท้หมายังไม่อยากคบเลยเออนี่ยเมื่อกี้หัวละรู้สึกไหมเมื่อที่หัวละรู้สึกไหมใจมันคลายออกนี่ก็เป็นภบอีกพพหนึ่งนะพภพบของเทวดาะ มีความสุขแต่ว่าเผลอเพลินรู้สึกไหมเผลอเพลินไม่นิพานอีกแล้วเป็นภพอีกอันหนึ่งแต่ไม่นิพานแล้วเพราะมันเผลอเพลินต่อไปนี้นะจิตเป็นยังไงรู้ไปอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไปอย่างที่มันเป็นอยาเข้าไปแทรกแสงเราเข้าไปแทรกแสงก็เพราะยินดียินร้ายแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้มันไม่เป็นอย่างนี้เข้าไปแทรกแสงมีตัณหาอยู่เบื้องหลังแล้วเกิดการแทรกแสงการแทรกแสงนี่แหละตัวภพ ไปแทรกแซงจิตใจให้มันดีบ้างให้มันสุขบ้างให้มันสงบบ้างงั้นอย่างที่มาฝึกจิตฝึกใจนะจะเอาดีเอาสุขเอาสงบนั่นคือฝึกสร้างภพนั่นเองให้รู้ลงไปเลยจิตมีความโลภมีตัณหาให้มารู้ทันลงไปแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยเราไปสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาตัณหามันไม่เกิดตัณหามันสั่งระงับไปใจมันก็ไม่กระเพิ่มบวนไว้ไม่ปรุงแต่งไม่สร้างภพนะจิตไม่สร้างภพปุ๊บเนี่ยจิตจะรวมเลย จิตจะรวมจากพบจาบหยาบที่เรามีอย่างเนี้ยพบที่เราอยู่กันปกตินี่นะเรียกว่ากามาวจรกามาวจระัพบหมายถึงว่าจิตเนี่ยร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาหรือเวลาหลงทางใจก็คิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอีกและนะใจเราหลงอย่างเนี้ยหลงไปดูหลงไปฟังเห็นใครเข้ามาก็ดูเขาเนี่ยจิตอยู่ในกามาวจรจรร่อนเร่ไปเรื่อยๆนะในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายนะถ้า ท้อใจมันไม่กระเพื่อมบั่นไหวไม่ยินดียินร้ายนะไม่มีความอยากนะจิตอยรวมนะอยเข้าไปรูปรูปคพคบจิตจะเข้าฌานตรงเนี้เข้าเองเพราะนั้นเราเจริญปัญญาเรื่อยๆไปดูจิตมันทํางานไปนะยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันในสุดถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะหยุดของมันเองจิตจะรวมจิตเข้าฌานแล้วถ้าบุญบา ร, รมีของเราแก่รับพอแล้วเราได้รักษาศีลมาพอสมควรแล้ว เราได้ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเน้อกับตัวพอสมควรแล้วเราได้เจริญปัญญาเห็นความเป็นใจรักษณ์ของรูปนามของกายของใจพอสมควรแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดอริยมรรคได้นะอริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยแก่รอบแล้วนะเราต้องฝึกนะค่อยๆฝึกของเราทุกวันทุกวันคือศีลห้าไว้แล้วก็รู้สึกใจรู้สึกใจไปเรื่อย จะใช้สมาธินำปัญญาก็ได้สำหรับบางคนจะใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้สุดท้ายมีทั้งสมาธิและปัญญาแต่ศีน่ารักษาไว้ก่อนอย่างนี้พอไหวไหมไหวทำมาพยักหน้าเนี่ยเสื่อเหลืองพยักหน้าแล้วจิตทำไมแข็งอะ่ะเห็นไหมจิตเป็นอตัตตากิลมัฏฐานโยกแข็งไปไหวกาฆ่าไม่ให้ตายเลยกิเลนนะ นะรู้สึกนะรู้สึกเัวราอีกแล้วเมื่อกี้รู้สึกไหมตัวลาดแล้วเพลิรู้สึกไหมรอดไปเป็นเทวดาที่ภาวนามไม่เป็นนะเทวดาภาวนาเก่งๆ เ, เยอะนะแต่ว่าเทวดาส่วนหนึ่งก็ภาวนามไม่เป็นทําความดีไปอะไรทึ้สวรรค์นนะมีความสุขแล้วเพลินสังเกตไหมเวลาพวกเรามีความสุขแล้วเพลินง่ายเคยรู้สึกไหมนั่นแหละพวกเทวดาแล้วเทวดาจะมีคำต่อท้ายว่าไงนู้ไหม สุดาก็ต้องตกสวัสด์ยังไงก็ต้องตกลงมาอีกเวียนตายเวียนเกิดอยู่นี่นงั้นอย่าเพลิอนอย่าเผลออย่าเพลินนะมีความสุขได้เพราวนานแล้วมีความสุขแต่มีความสุขแล้วจิตยินดีพอใจให้รู้ทันงั้นตัวที่สําคัญที่ฝากไว้วันนี้นะคือตัวยินดียินร้ายนะสภาวะนะพวกเราหลกงพ้าดูหน้าพวกเราดูโงเ่เฮงแล้วพวกเราดูสภาวะเก่งแล้วะจํานวนมากเลย สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรู้ได้อยู่แล้วล่ะเป็นส่วนมากในห้องนี้แต่ว่ามันยังมีเรื่องยินดียินร้ายพอยินดีขึ้นมาจิตก็จะดิ้นรนใช่ไหมดิ้นรนรักษาของดีอยากได้ความสุขดิ้นรนอยากให้ความทุกข์หายไปอยากให้ความชั่วหายไปดิ้นรนอยากให้ความชั่วไม่มาอีกดิ้นรนอยากให้ความดีเจริญความสุขมามากๆนี่ใจดินทางนั้นใจดินในใจสร้างภก นะเพราะฉะั้นถ้ายินดียินร้ายอยู่ยังสร้างพพอยู่แต่ว่าถ้าปัญญาแก่รอบแล้วนะมันจะไม่ยินดียินร้ายไม่ยินดียินร้ายด้วยปัญญานะมันจะหลุดออกจากพบนะอริยมรรคก็จะเกิดได้ค่อยๆฝึกไปพอไหวไหมสู้ได้นะวันนี้หน้าตาน่ารักนะแต่ละคนบางคนนะหน้าตาโดยกําเนิดเนี่ยดูไม่ได้แต่ว่าภาวนาแล้วจิตใจมันดีนะ หน้าตามันสดใสใครเห็นก็อยากเข้าใกล้กระทั่สัตว์นะพวกสัตว์เนี่ยมันรู้สึกนะอย่างเคยเห็นแมมสัตว์เนี่ยบางทีมันไม่เข้าใกล้คนคนนี้เลยมันกลัวเลยนะบางทีมันก็อยากเข้าใกล้บางคนอย่างหลวงพ่อนะไปไหนมาไหนเนะทีหมาแมวมันก็มานะมันชอบหมามาสีแล้วก็ชอบหมาชอบแมวเองแ้่แต่เป็นโยมอะมันมาสีส มันน่ารักดีก้มเราไปดูขี้เลือนทั้งนั้นเลยจิตที่เป็นกุศลอยู่นะหายไปเลยเลยขยะกขยักเลยนะจิตมีโทสะรี่มาแทนเนี่ยกรรมฐ า, านนะกรรมฐ า, านไม่ใช่ว่าต้องดีตลอดเวลานะเราไม่ได้ฝึกเอาดีเพราะดีไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเอาสุขเพราะสุขไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเอาสงบเพราะสงบไม่เที่ยงเราฝึกให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวถ้าเห็นความจริงแล้วเนี่ย มันจะไม่กระเพื่อมจะไม่กระเพื่มถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสดได้เพราะในสติปัฏฐานเนี่ยเริ่มต้นมีเครื่องอยู่มีความเพียรแถดเผากิเลสก็คือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาการพัฒนาสมาธิและปัญญาเนี่ยทายังไงเรารู้วิธีที่เหมาะกับตัวเองมีสัมมาชัญญะและ้วก็ไม่ทอดทิ้งมีสติะระลึกไปเรื่อยไม่ทอดทิ้งในที่สุดจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ยินดียินร้าย เมืนะ่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วโอกาสที่จะเกิดอริยมรรคก็จะมีแล้วจิตยังยินดียินร้ายอยู่ไม่ได้กินหรอกยิ่งถ้าจิตหลงเนี่ยนะไม่ได้เรื่องเลยไม่ไปอบาบัยด้วยซ้ําไปที น, นี้เราเป็นคนดีรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาแต่ยินดียินร้ายอยู่ยังไม่เกิดอริยมรรคหรอกแต่ว่ามันจะเป็นรอบๆนะรอบนี้ผ่านไปแล้วไม่จะ้ไปยินดียินร้ายในของที่ละเอียดขึ้นไปนะพอรู้เท่าทัน เห็นความจริงของรูปนามกายใจที่ประณีตเที่ยนไปกพ้นความยินดีร้ายเปนเฟนระดับระดับไปเจนทางขั้นสุดท้ายมันรู้จิตนี้คือตัวทุกข์ขั้นสุดท้ายมันจะรู้สึกจิตนี้คือตัวทุกข์พอรู้อย่างนี้จิตปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตสตย์ตัวเดียวเนี่ขันทั้งห้าไม่มาเกิดอีกแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้เพราะจิตดวงเดียวนี้แหละไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกเนี่เราค่อยค่ฝึกเจอทางจิตปล่อยวางจิตแต่พวกเรายังไม่ถึงตอนนี้ แเราค่อยๆฝึกรู้สภาวะไปด้วยจิตที่เป็นกลางแ้าจิตไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางแล้วต่อไปมันจะเป็นกลางด้วยปัญญาถ้ากลางด้วยปัญญาแล้วนั่นะนหะประตูแห่งอริยมรรคก็จะอยู่ตรงนั้นในทุกรอบนะทุกขั้นจะเป็นอย่างนะั้อน่าส่งกันบ้านอ่าว่ามาการรับรการลวงพ่อใช่ไหมก็ปฏิบัติในรูปแบบวันละประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเค อ, อค่ะ แล้วก็ในชีวิตประจำวันก็พยายามรู้สึกตัวค่ะก็ส่วนใหญ่จะรู้สึกลมหายใจอ่ะคะ่ะแล้วก็รู้สึกให้ดูสิดีไปคิดเรื่อยๆหายใจไปนะจิตดีไปคิดให้รู้จิตดีไปคิดให้รู้นะไม่ห้ามนะก็ค <Okay. S 2> ่ะไปฝึกอีก <Okay. S 2> ใจยังไม่สองอบ <Okay. S 2> ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเห <Okay. S 2> ลือไปฝึก รู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้บ่อยๆหายใจแปลกจิตเคลื <Oke. S 1> ่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้สึกนะเราไปศีลสมาธิปัญญามีนแก่รอบขึ้นมาสติะถานที่เราปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติถูกนะศีลสมาธิปัญญามัจะสมบูรณ์ขึ้นแค่ที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะได้ครบเลยนะเคลื่อนแล้วเรารู้สึกเคื่อนเรารู้สึกจิตจําสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นสติจะเกิดเองถจ้าค่ะพอสติเกิดศีลมันมีเอง จิตเคลื่อนเรารู้จิตที่ตั้งมั่นไม่เคลื่อนสมาธิก็เกิดจิตจะเคลื่อนหรือจิตจะตั้งมั่นก็เป็นของชั่วคราวเคลื่อนเองตั้งมั่นแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ในนั้นแนละคือปัญญาอันนี้คือคปัญญาคแค่เนี้ยนะครบเลยนะเนื่องจาวจริงๆแล้วกรรมาฐานแต่อันแต่ละอันนะถ้ามันเดียวนะ่ะมันมีครบหมดแนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะแค่นี้แค่นี้ก็บรรลุพลระอรหันต์ได้นะ เราก็คุณจ้าค่ะครับข่าวป็นมาชาการหลวงพ่อนะครับผมปฏิบัติตามหลู่แบบมานอ น, นพอสมควรครับพอเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ <S <S น, นะครับรู้อย<ล>่างนั้ น, นี่ยพอรู้บ่อยๆก็เลยได้รู้ว่าเอ๊ะกายกับจิตมันแยกกันคนก็แล้วกั น, นจิตกับสติก็แยกกันเออครับออความรู้สึกกับจิตก็แยกกันครับผม จ้าวคิดว่ายังไม่เดินปัญญาเพราะมันยังมีตัวกูอยู่นะฮยังมีตัวกู ต, ตโลยอยู่นะครับไม่มีตัวกูเป็นทโศดาแนละ้วต้องเดินปัญญาไปก่อนนะมีตัวกูนี่แหลนะจะเดินปัญญาไปแตไม่ได้ปัญญาขั้นต้นนะไม่มีตัวกูครับผมดีที่เห็นนะฉลาดบางคนภาวนานะ้วจิตไปติดว่างๆนิ่งๆอยู่นะแล้วบอกไม่มีตัวกูก็มองไม่เห็นนะ จิตมันเฉยเฉยเฉ ย, เฉยอยู่นะบางทีแก้ให้เราโกรธเราเลยนะดีที่เห็นครับขอบคุณครับขอโอกาสถวายกันบ้านครับหลวงพ่อตอนนี้จิตมันเต้นเต้นผม<อ> <te hn S 2> ้นะที่ผ่านมามั น, นบังคับมกักการชินและการบังคับตอนนี้คลายออกไปเยอะแล้วดีกว่าเก่าเยอะเลยเต้นเต้นก็ไม่ว่ามันเป็นเต้นไม่ต้องไปห้ามมัน แล้วไงอีกมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะรู้สึกไ ห, ให้ใจมันเจ้าออข้างนอกไม่ไม่เห็นค่ะหายใจเข้ามาดูออกอยังเออแค่นี้ก็เห็นนะ้จุดอ่อนของหนูคือหนูมันติดเพ่งที่ผ่านมามนติดเพ่งนะคลายออกแล้วก็รู้สึกคลายออกแล้วรู้สึกไปตอนนี้กลัวจะแย่แล้ว แบนมัสการหลวงพ่อครั้งแรกอะค่ะก่อนก่อนหน้าที่จะจะฟังธรรมะจากหลวงพ่อนะคะปฏิบัติมาคือไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนค่ะประมาณสิบกว่าปีค่ะพอได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อประมาณเก้าเดือนนะคะทีนี้มาทำตามรูปแบบไม่ไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือเปล่าค่ะถูกลมหายใจหนูอค่ะหายใจไป แายใจเรารู้ทันจิตไปไม่หายใจแล้วให้จิตสงบน ะ, ะหายใจเรารู้ทันจิตไปเรื่อยๆสมาธิหนูดีไหมดีขึ้นละอย่าใช้คําว่าดีเลยใช้คําว่าดีขึ้นค่ะเออไม่ทราบว่าพอจะแยกธาตุแย ก, แยกไม่รู้เหรอว่าแยกไม่ทราบะคะ่ะรู้สึกไหมตัวอะไรมันอ้าปากอ้ารู้สึกค่ะเห็นไหมมันไม่ใช่เท่าหรอือ รู้สึกอย่างเนี้ยค่ะร่างกายมันหายใจร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูมันแค่รู้สึกค่ะกราบขอคําแนะนํำนะค่ะขอวิหารธรรมที่เหมาะสมกับตัวเราวิหารธรรมของใครของมันนะเพราวิหารธรรมมันคือกายกับใจของตัวเองอเที่มาขอกันไม่ได้หรอกขอ่ะกราบนวัชการหลวงพ่อค่ะอทําไม่หนีไปอยู่โน่อนอะ โยมทำหน้าที่พิธีกรค่ะหลวงพ่ออ๋อพิธีกรแล้วไงอะ่ะก็ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อก็ช่วงหลังโยมเห็นการเกิดดับยืดขึ้นถูกหลว ง, งหลวงพ่อโยมเคยส่งกันบ้านเมื่อสองปีที่แ ล, แล้วหลวงพ่อบอกว่าโยมจะไปได้เพราะตัวอนาตากลับมายมก็มาพิจารณาค่ะก็เห็นหลายๆอย่างอือดูไปเรื่อยๆดูไปมันไม่ใช่เรา<ช>ทางานของมันได้เอง ตอนนี้ใจผิดธรรมชาติดูออกไหมดูออกถ้าต้องออกใช้ได้แต่หลวงพ่อชมนะรอบนี้นะพวกเราส่วนมากในในห้องเนี้จเจริญขึ้นนะรู้ตัวเปล่าหรือไม่รู้บางคนดีแล้วไม่รู้ก็มีนะแล้วพวกดีเหลวไหลดีหลอยถ้วยดีแล้วไม่รู้ว่าดีแต่บางคนแยกนันนะชั่วแล้วไม่รู้ว่าชั่วสุดยอดเลยเนี่ยแต่และคนนั้น ดูสายสใสดูดีอาจารย์สมชายสอนดีมั้งยัพอกันบ้านค่ะไปทำต่อไปรู้ทันกิเลสนะกิเลสตัวไหนแฝงเร้นอยู่ตัวไหนผลักดันพฤติกรรมเราอยู่รู้ทันมันไปจัรหลวงพ่อคะ่ะว่าไงพอหลวงพ่อต่อยอดให้กิจมจุขจังตาเราไม่ใช่นักปลูกต้นไม้ให้ต่อยอด <laughs> ยมก็เห็น จิตเกิดดับเกิดดับก็ดีแล้วล่ะพอนาใช้ได้นะรู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเมื่อก่อนเจ้าปังเนี่ยภาวนาแล้วเรารู้ด้วยตัวเราเองนะมันไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนนะมันโง่ ง, ง, ง่ายมีแต่ความอวดดื้อถือดีนะมากูดีกูเก่งมาพาวนาเนี่โอ้เห็นใส่เห็นปูกตัวเองแต่ใจมันยิ่งสว่างสวัยนะนก็เห็นโลกเห็นจิตเกิดดับเกิดดับดี เห็จิตเถียดดับเพราดูจิตเถียดดับไปรู้สึกไหมมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานด้วยเองแต่ทำไมความเป็นเรายังเหลืออยู่ดูออกมั้ยใช่ๆเออใช่ได้วันนี้เก่งหมดแล้วเหรอแล้วสตาร์ทเนี่ยไม่ส่งอะน่ะว่ามาวันนี้ก็ใช้ได้อยู่พ่อมาถูกทางมั้ยครับทูก แต่ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานเดือออกไหมอ๋อครับมันเจ้าเจครับไม่ว่ามันหรอกใส่เกตไหมมันไม่ใช่เราเหรอกมันทางานของมันได้เองดูอย่างนั้น่ะเห็นแล้วชื่นใจนะรอบนี้รอบก่อนเห็นแล้วอนาถมัวมัวมืดมืดรอบนี้สดใส ด, ดีรอบก่อนเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นจําไม่ได้สงสับ้านเมืองกําลังวุ่นวายมั้งนะ พวกเราเลยดุยรอดได้รอไดรอได้ดีไปทำอีกคร <Okay. S 2> ับกลับมาเมตสการหลวงพ่อครับผมมีปัญหาเรื่องตัวนี้หน้าผ่าครับมันมันบึ้บตลอดเป็นอันสามเดือนแล้วฮะ ม, มันเหมือนมีอะไรมันลัดตรงที่อ๋พอพอนาดีเกินไปมานมันไส้คือเคล็ดลับมันมีนะอย่าไปกลัวยิ่งกลัวยิ่งกังวลเนี่ยจิตยิ่งสื่อกับพลังที่ไม่ดี พลังงานที่อยู่รอบตัวเราเนี่มีทั้งพลังที่ดีและพลังที่เลวเต็มไปหมดมันเหมือ น, อนคลื่นวิทยุอ่ะคลื่นวิทยุมันสารพัดสถานีนี่เราไปจูนที่คลื่นไม่ดีก็ทำไมเราไม่จูนคลื่นที่ดีดีวิธีที่จะทำให้ใจเราไปจูนกับคลื่นที่ดีนะเรานึกถึงบุญที่เราได้ทำคิดถึงบุญคิดถึงกุศลที่เราได้สร้างอะไรอย่างี้แล้วคิดถึงบุญคืงกุศ ล, ลใจมันจะผ่อนคลายขึ้น พอใจผ่อนคลายนี่เราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราลึกถึงอะไรพลังงานที่ดีมันจะเข้ามาใน<ม>ที่มันรัดหน้าผากอยู่มันจะหายทําได้หลายอย่างนะถ้าเราชํานาญทางจิตเราก็จูนเนาะ<ม>เราลึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บอะไรเงี้หรือเราลึกถึงครูบาอาจารย์ปุ๊บก็หายเลยเพราะว่าคล้ายๆเราเปลี่ยนสถานีมไม่เอาแล้วไม่ดูช่องนี้แล้วดูช่องก็หาย อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะคือดูที่ใจพอเกิดสภาวะที่มันบีบคั้นเจ็บปวดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเห็นเลยความเจ็บปวดก็ส่วนหนึง่งร่างกายก็ส่วนหนึง่งใจก็ส่วนหนึง่งแล้วจิตมีความไม่พอใจจิตดินร้ายหรือจิตสงสัยว่าคืออะไรให้รู้ทันจิตเข้าไปอีกทีพอจิตมันเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อไหร่สมาธิจะเกิดอยที่หลวงพ่อสอนตะเคียนเมื่อไรจิตเป็นกลางนะสมาธิมันมาเลยนะ แต่มจะทรงตัวเด่นดวงถ้ะจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาเนี้ยพลังที่ชั่วจะเข้ามาไม่ได้ละง่ายง่ายไม่ยากหรอกค่อยฝึกไปแ ต, แต่ที่ผมทำดูร่างกายหายใจื่อทีมันก็มันก็รัดนะครับร<ล>ัดเพราะว่าใจเราไม่ชอบมันให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะแล้วจะละึกถึงกุศลทั้งหลายที่เราเคยทำช่วยงานวัดช่ว ย, ยนะอะไรนึก แล้วก็รู้สึกใจเราเป็นบุญเป็นกุศลนะเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรอย่างี้เราจะรู้สึกเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่กับเรามีพลังงานในเรื่องของพลังงานทั้งจิตก็เป็นพลังงานมันเหมือนฟุบฟมันไตอยอะไเงี้ยมันเป็นขึ้นอะไรอยเงียเชืช่อมันมันมันท ะ, ทะลุออกมาถ้ามันไม่ทะลุออกมานะอื่นาจตายเลยอย่างนี้มันรูั่ว มันมัดไม่ไม่ไมัด ไ, ไม่ไม่สนิทแล้วพอแล้วที่ผมหินช่วงนี้เห็น ก, กันเกิดดับได้บ่อยขึ้นนี้เห็นจันั่นแหละดีเห็นถูกเออเห็นเห็นหน้าแล้วไอยรู้เวลาร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเรียนนี้นะแล้วก็ถ้าจะใช้วิธีสมถะก็ฐฐคิดถึงบุญต่างๆที่เราทําคิดถึงทานคิดถึงศีล คิดถึงสิ่งดีๆสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดก็หายคล้ายๆเปลี่ยนช่องแต่ถ้าดูยินดียินไล่ไปนะเมื่อเราเดินปัญญาเอจิตเข้าสู่ความเปงกลางก็ได้สมาธิขึ้นมาอีกก็หายอีกบางบางทีช่วงบ่ายๆนี่มันจะรัดแน่นเกินครับนั่นแหละธรรมดาไม่ขยันตอนรัดตอนบ่ายๆเพราะอะไรเพราะเรากําลังอ่อนเปลี้ยรู้สึกไหมตอนบ่ายๆเรากระปรักกระเพี่อยู่ สมาธิเราตกช่วงบ่ายๆแต่ตอนเช้านี้คือพอโอเคหน่อยครับอกินบรรคือถ้าจะผ่านตัวนี้นะจริงๆแล้วอยู่ที่กรรมถ้าไม่มีกรรมไม่ถูกหรอกแต่คนที่พบชาติเหลือน้อยต้องรีบรับนีไม่พอเนกแล้วพวกที่พบชาติยาวๆก็ยังประดีประนอม <YouTube S 2> ยืดๆไยเฉลี่ยไ ป, ไปนี่นเราอย่าไปกลัวอย่าไปวันไหว ชีวิตนี้ถวายพระพุทธเจ้าจะตายก็ไม่เป็นไรจะเป็นอะไรก็ไม่ไม่เลิกปฏิบัติใจเด่นเดี่ยวอย่างนี้ยแต่อย่าให้โทสะเข้ามาให้รู้ไปด้วยใจที่เปิกบานใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแก้ด้วยสมถะก็ได้คิดถึงกุศลจิตได้สมถะก็หายแก้ด้วยวิปัสสนาก็ได้แยกขันไปเรื่อยๆแล้วรู้ด้วยความเป็นกลาง ดูความเจ็บปวดด้วยความเป็นกลางก็หายกอเป็นกลางสมาธิเกิดจะหายไม่ยากาต่อไปขอบคุคับดนอย่างนี้แสดงว่าภาวนาถูกเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ามาันมันจะแกล้งคนที่ภานาถูกคนที่พานามไม่ถูกมันไม่แกล้งหรอกมันปล่อยให้บ้าๆบอๆไป <c oughs> มัน ม, มันไม่ยุ่งด้วยหรอกของพ่อ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วแนมาตั้งชั่วโมงแล้วรู้สึกแต่ขันมันแยกได้ดูออกไหมเยาะขันได้แล้วละแต่ไม่ไม่บังคับจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตทํางานตามธรรมชาติให้ก่างกายเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติให้จิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแล้วก็ดูไป เวลาที่เราเจริญปัญญานะสุดท้ายมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางเหมือนพ้นจากดีแลอนร้ายนะนมัสการนะคะหลวงพ่อนี่ตื่นเต้นมากก็อาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ที่ได้มาค่ะและ<ม>้วก็จจเคยฟังทำมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เองค่ะของซีดีหลงพ่อะค่ะนั่นแหละเห็นไหมว่าอาจจจัศจรรย์รู้สึกไม่ใจเราไม่เหมือนเก่า สองอาทิตย์ทําได้อย่างนี่เก่งแล้วล่ะรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มเราแค่รู้สึกร่างกายพ ย, ยักหน้าเราแค่รู้สึกเนี่ยเราแยกได้ร่างกายกับจิตเนี่ยคนล้านกั น, เ, นเห็นไหมจิตมีปิติเนี่ยรู้รู้ลงไปจิตมีปิติก็รู้ว่ามีปิติงงรู้วงงอนี้รู้อย่างนี้เรืๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรค่อยค่อย กรับมาเทการหลพอครับภูมิแลบภรรยาขอไครภรรยามาจากกรุงเทพครับมารอไมต้องมาฟังถือเที่ยเราพาไปเที่ยวกูเทพบ่อยๆีไปกรุงเทพแล้วส่งกันบ้านไม่ทันจับฉลากเขาไม่ได้เขาลงมาที่นี่ครับนีกว่ากำจัดสรร อ่าก า, ารปีห้าหกครับได้ฟังอ่าธรรมะจากหลวงพ่อครั้งแรกครับแล้วก็คิดว่าเข้าใจอ่ะเดือนหนึ่งแต่ว่าก็เควไปศึกษาแนวอื่นครับแล้วก็ปิด แ, แล้วก็ไม่พัฒนาเลยครับแล้วก็เอะใจแล้วก็ปีอปีนี้ครับช่วงประมาณสิงหาครับก็เลยกลับมาฟังแล้วก็ศึกษาใหม่นถึงตอนนี้ครับเรียนยกับหลวงพ่อน่าเรียนไปสักช่วงหนึ่งนะให้รู้เรื่อง เราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าเราจะฟังธรรมะที่ไหนเราก็เข้าใจเราจะรู้เลยว่าแต่ละที่เนะที่บรรยายเนี่ยันนี้ท่านนี้บรรยายเนี่ยมันอยู่ในจุดนี้อยู่ในจุดของสมาธิอยู่ในจุดของอะไรต่ออะไรมันจะรู้ในเมื่อที่หลวงพ่อสอนให้ในจะเป็นภาพรวมของการปฏิบัติแล้วเราเห็นภาพอย่างนี้เราจะเดินได้ด้วยตัวของเราเองแล้วเราฟังไขปุ๊บเราก็รู้แล้วว่า เขาทำได้แค่ไหนนะฟังออกไม่ใช่เรื่องยากอะไรขอกันด้านเลยครับอย่าไปโจงใจมากนะมันยังจงใจมัยังติดการบังคับจิตใจของตัวเองอยู่ไม่บังคับไม่รู้อะไรที่มันเป็นเป็นคนธรรมดาให้ได้อย่าเป็นคนเหนือธรรมดานะเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ต้องเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องไม่เหมือนชาวบ้านไม่ใช่ไม่ไม่ผิดศีลห้าเท่านะั้น แล้วก็ใช้ชีวิตไปตามธรรมดานี้แหละมีสติกำกับไปด้วยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้ทันขอบคุณครับติดมงคับนะรู้สึกไัมพิธีมรดกหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเมือมม่อหนึ่งปีที่แล้วส่งกับมาหลวงพ่อเอะเอะรู้สึกเปล่าดีกว่าเมื่อปีก่อน ค, คนแถวบ้านเขาบอกไหมว่าหน้าตาเราเปลี่ยน มีคนบอกไหมมีค่ะโอ้หลวงพ่อกล้ารับรองอย่างหนึ่งนะบาคนเกิดมาหน้าตาไม่สวยเลยแต่ ม, มาพอนาเรียนที่หลวงพ่อสอนนะมันมันผ่นองใสนะมันดูดีกว่าเก่าเยอะเลยเคยมีคนเข้าให้สัมภาษณ์หลวงนังสือนะแล้วทำไมถึงสวยบฟังซีดีหลวงพ่อประมุ่นะสวยเพราะซีดีหน้าตาเราก็เปลี่ยนใจเราก็เปลี่ยนถ้าไม่หน้าเปลี่ยนเพราใจมันเปลี่ยน หน้าตาเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามใจนลใจเราเป็นบุญเป็นกุศลมีสติมีสมาธินะหน้าตามันก็ผ่องใสขึ้นมคนไม่มีศีลมีธรรมหน้าตายุ่งเหยิงไปฝึกต่อไปมาถูกทางแล้วดีกรรมพระภค่ะนะดูกายดูใจเขาทางานไม่ใช่ตัวเราหรอกกายก็ส่วนกายสุขทุกข์ก็ทํางานของสุขทุกข์ดีชั่วก็ทํางานของดีชั่ว ใจเขาทำงานของใจดิไปคิดต่อคุณคับขอบคุณพ่อนะครับพวกเราพนมมือนะครับท่านพนมมือและน้อมใจตามนะคะโดยพิธีกรจะเป็นตัวแทนกล่าวคําถวายนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปาโมโชขอลองพ่อจงรับ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเอิดรับพ น, นะยาถาวาริวหาปูราปริปูเรนตีสาคารังเอวามวายิโตทินังเปตานังปกัปติยิจิตังปะจิตังทุมหังจิปเะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปา จันทถปันระโสยธามิโชติระโสยท า, ทา ส, ทาสพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังุทธาปจายโนจตตาโรธรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังอนุโมทนากับพวกเรานะ ฟังแล้วไม่เสียเปล่าเปล่าฟังแล้วเอาไปพอวนามาคราวหน้าต้องดีกว่า น, นี้นะ <c oughs> อนุโมทนาท่านอาจารย์นะ